เอ่ยขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ไม่ชอบพอในจิตในใจอาจจะเป็นภยันยังตายสามารถแผดเผาตัวของเราให้เดือดร้อนเกิดโกรแค้นขึ้นสามารถข่ากันตาก็ได้พเพราะลมปากลมปากเป็นพิษเป็นภัยอย่างนั้นลมปากทำให้คนลืมหลงเพลิด เ, เพินงัว เ, เมาวกว่าได้ เขาสั่นแรงเส้ถูกอกถูกใจก็ลืมเมือ่อลืมตัวหนุ่ยไมา้ถึงผู้ที่มีหลักธรรมภายในผู้ที่มีหลักธรรมภายในถ้าไม่เต็นไปอย่างนั้นลมออกจากปากเขาพอเขาหยุดพูดเมื่อกดหายไปในวารุปบ่าเสียงบ่ากลิ่นบ่ารสทุกอย่างที่เกิดมาแล้วก็แปรเปลี่ยนและแตกหลายไปตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น เราหรือมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราหรือมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ไปซ้าคัญมั่นหมายไปยึดไปถือทําไมเร่อเหล่านี้มื่อไปยึดไปถือเข้าเราก็เกิดทุกข์เกิดทั่วแต่ตัวของตัวท่านสอนตัวของท่านน่จจเจนะตัวของท่านจิตของท่านอย่างนั้นท่านจะเหื่อยไหลเหนื่อยปวดทนเหนื่หอมไม่ือขึ้นได้ไหยึดยองเมื่อถูก คนมีนาหรือสังเระเสรท่านทำจิตทำใจของท่านเบิกบานยิ้มย้มแจ่มใสสบายอยู่ทุกการทุกเวลามีการพำระจิตใจการทีเ่เจอาตัวของตัวเหนือดทํา น, นะ้มีความสุขความสบายอย่างนั้นทุกท่านคือหนึ่งมั่นหาความสุขความสบายอยา่าไปคิดว่า เป็นหน้าที่ของพระของเนรเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะสุกสอมอดมนให้เต็มที่เต็มในรับความสุขธรรมะของพระพุทธเจา้าในร่าสมัยยังทันกับการกับสมัยไม่มีวิทยาศ า, า, าสตร์คนใดนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันหมายเกินอย่างนั้นอย่างนี้จะมาตําหนึ่งหลวงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ถ้าที่ไม่พิจารณา ในเรื่องธรรมะแล้วนำวิทยาศาสตร์ทุกแขนเพราะเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีมีคุณค่าสำหรับผู้ปฏิบัติผู้นำมาฝึกหักกายใจของตนเช่นทานการบริจาคที่ถ่าสอนให้ภาคการทมก็เป็นเรื่องไม่ว่าสมัย ทานการให้เมื่อให้ไปแล้วเราดี อ, อกมีใจเราล็กลกขึ้นเราก็สบายใจพอเราได้ให้อันนั้นอันนี้แกคนอื่ น, น, น, น, าานเรามีอำนาจบารมีเพราะจงจะเสียดเดียรจานให้คนอื่นสัดอื่นเป็นสุดได้มันเลยเบาเลยสบายของที่เราให้ไปเราเป็นหมดกรรมสิทธิ์เรากมาได้รับผิดชอบในเรื่องเหล่านั้นไม่เป็นภาระหน้าที่ จะดูแลรักษาต่อไปเพราะเราให้เราบริจาคไปแล้วโลกอันนี้เมื่อขาดทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโลกออก็ควรปัน่นเบือล้วนบุ่น ม, มาไม่มีการเฉลี่ยเจียจางสื่อกันและกันเบือเกิดมาหากไมนี้การให้ทานของดีดามานดาหรือผู้หลับผู้ใหญ่ก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาสแสวงหาอะไรไม่ได้ผู้ใหญ่เมตตาเสื่มสารให้ทานแจกเขา เขาจะมีชีวิตชีวาเติบโ ต, αι ต αι มาได้และนอกจากนั้นผู้ใหญ่เด็กกันคือกอกยากยากจนเมื่อเราสเสียผลบัตรให้สถานเราให้ทานแก่เขาเขาเหล่านั้นก็มีอก ม, มีใจผนเมื่อไรยืนแดีแจ่มใสและคนผู้ทําทานกางรสรู้ผลก็ไเป็นภัยไปสถานที่ใดก็ต้องรับขับสู้เพราะเขาได้รับผลรับประโยชน์จากตน เกิดชงคอชงหาเขาแต่เป็นไทยเป็ น, สนเสน่ห์ทให้สัตว์ให้มนุษย์ที่รับทานจากเราเขารักให้เขาชอบใจหนี้ยืมของทานภายนอกเป็นอย่างนั้นทานภายในการสละจิตใจของตนทานมันไปวิ่งจันหามานาติทิฏฐิต่างๆก่อนเหมือนกันทําให้จิตใจของท่านที่สละ ละทานความชั่วต่างๆไปได้รับความผ่องผัได้รับความสงบด้รับความเยือกเยนภายในชีวิกของมนุษย์กันที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนเพราะไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เกิดมาแต่องรักชีวิตของตัวรักสมบัติของตัวเรารักของเราอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามาฆ่าเรามาตีเราเราเสียใจไหม เราได้ทํากับเขาเหมือนกันฉะนั้นศีลก็ไม่ละสมัยดังนำสมัยอยู่เสมอมาหาโลกทั้งโลกรักษาศีลขนจิดเขาจิดเราเหมือนกันชีวิตเขาชีวิตเราเหมือนกันในเมือมลำในศีลในอภิปรายเท่ากันแล้วกันโลกก็สงบระงับมีความสุขความสบายถ้าโลกไม่มีศีล เก่ะปีดีเดิกันขึ้นเกิดรักสงบเชื่องเพ่งแสด็นกันขึ้นมันมีความสงบที่ไหนมันมีความสุขความสบายที่ไหนจริงๆเป็นเรื่องขีดควรรักษาควรพิ่จะไดานำมาประดับกายกายจากจิตใจแข็งตนหากถือว่าศีลเป็นของขึ้นของเงาจะไหนในใช้หน้าที่ของเราควรนั่นก็ในใช้หน้าที่ของเราอย่าแจะประพฤต์อะไรประพฤต์ไป การใจช็อกในระวังั้งบองในศีลไม่กลัวเกิดหวนปั่นเสียหายโลกอันนี้ไปหยุ่นยายเดือดร้อนถ้าโลกนีเพียงศีลถ้าแถวนั้นแหละกรมีการลบลาข่ากันใน่มีตำรวจทหารรักษาบ้านเมืองอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆทิ้งเพราะเหตุใดเพราะเรามีการข่ากันไม่มีการเหยียดเบียนกันไม่มีการลักขโมยกันไม่มีการนอกอกนอกใจกัน ทั้งสามีทังเล่ยามันมีการโกหกควบคุมกันเสื่อขามสุขจะติดต่อกันมันดีมันพิเศษขนาดไหนโลกกเยี่ยงเยินเป็นสุขจะไปสถานที่ใดก็ไม่มีใครอันตรายนี่โลกที่เปลี่ยนสันเบี้ยวย้อนหยุ่นวายก็เพราะคนขาดศีลคนไม่มีศีลถ้าคนมีศีลอยู่ด้วยกันมันสุขมันสบายจะมีจํานวนกี่พันกี่ เงินกี่แสนก็ตามมันมีความสุขมันมีความสดายเพราะทางรักษาศีลเพราะคนรักษาศีลไม่เป็นภัยอันตรายต่อกันฉะนั้นศีลพระพุทธเจ้าต่าเอาไว้สองพันกว่าปีมาแล้วก็ยังนํานสมอยังดีวิเศษเรื่องสมาธิความตั้งมั่นของใจต่อเนื่องกันคนที่มีความตั้งมั่นมีความ ดิใจทําอะไรสําเร็จหรือล่องไข่คิดที่มีพิจารณาทำอะไรโดยเอาใจใส่ทําอะไรโดยความทําจริงในว่าจะทำงานดานโลกหรือดานทำคนนั้นจะสําเร็จหรือล่วงไปในสิ่งตัวปาถนาแต่คนที่เลาะและเลไหลยในมีสมาธิความหนักแน่นของใจถูกอารมณ์สัญญานะ โยวคล่องอะไรกดปีลไปเหมือนใบไม้ติดตกอยู่ในลานนัดเริ่มพัดมาทางนั้นกดปีลไปทางนี้เริ่มพัดมาทางนี้กดปีลไปทางนั้นเนพราะใบไม้ไม่มีรากฐานแขวนสารอะไรลมมาทางไหนก็พัดไปได้สะดวกสบายจิตใจของคนที่ไม่มนักแน่ไม่มีสนาธิเป็เหมือนกันขเขาเหยื่ยอายุอย่างไรหรืออาลัยสัญญาเกิดขึ้นมาอะไร เราไปตามเรื่องของอารมณ์เช่นยารักก็หอบเสือตามเข้าไปพอเบียดชังนิดหน่อยก็โดือดนี้มาคิดถึงเขาอีกไปอีกมันเป็นขอดีมีคนข่ามั้ยคนที่หล่อแหลเหรือไหลไม่มีใจหนักแน่นทําการงานอะไรเหน็ดเหนื่อยเหื่อหัวนิหน่อยากนิดหน่อยก็โดือนี้ไปสมัครงานนันอื่นทํางานอันอื่นไปเมินกันไรเงินสังเกตเสร็จสิ้นสักสิ่งเส้นหน่าง คนแบบนั้นใครต้องการใครต่าถนาตัวของเราเองก็เหมือนกันถ้าจิตใจลอยแหลงเลียไหลคิดอันนี้มีอารมณ์ันใหม่เข้าแทกสร้างมาเกี่ยวข้องเลยลืมหลงเราก็อํามหนุนตัวของเราเพราะใจมันคงใจหนึ่งแน่นอนฉะนั้นสมาธิเป็นเรื่องสาคัญอันหนึ่งซึ่งพวกเราท่านควรฝึกควรปฏิบัติให้จิตใจหนักแน่นมั่นคง ทำอะไรให้เอาใจใส่ตั้งใจจริงใจงาเหมังนั้นถึงจะยากจะลำบากหากเรามีความอดทนผากเพียนก็จะสาเร็จ ไ, ได้สิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ ท, ที่คนอื่นทำยากเราทำได้จะหลกสบายนั่นแหละเขาถือว่าคนดีถ้าสิ่งที่ทำอะไรง่ายใครทำก็ได้เวลาเด็กเราเพื้ใหญ่ เขาเลยถือว่าเป็นคนดีพิเศษเพราะทุกคนทําได้มีเราทําได้สิ่งที่เขาทําไม่ได้เราอดทนได้สิ่งที่เขาอดทนไม่ได้เราต่อสู้ได้สิ่งที่เขาไม่ว่าต่อสู้เลยได้จึงแบบกถือว่าเป็นคนดีเพราะจิตมีสมาธิความหนักแน่นความจริงใจทําอะไรทําจริงปัญญาเหมืนกัน พิพิจ้านาให้ถั่วถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยากไปทาตาม อ, อเาเภอใจให้คิดพิจารณาเหตุผลจริงจังให้จิตใจเข้าใจเห็นเหตุเห็นผลจริงลงมือทำผูกคิดในสิ่งเห่านั้นมันไม่นนผิดปัญญา ก, ก็เป็นสิ่งที่มั่นแน่ของทุกอย่างหากขาดปัญญาสมาธิ กอบทางไปชีมก่อเสียไปปัญญาจึเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราถ่านจะอบรมให้เกิดเทนูได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการศึกษาการทนพิจารณาปัญญามีสามขัน้นลํานบสุตตรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับรับฟังนี่เป็นปัญญาขัำำ้นต่ำได้ฟังจากคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็เกิดปัญญาเกิดจำนามาพิริพยน า, นยนาในตัวจินตามายปัญญาปัญญาจากการคิดเขี่ยเคียงธรรมชาติ ต, าต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดปัญญารู้เข้าใจในสิ่งเหล่า น, นั้นการเป็นจริงเของมนันี่คือจินตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดจากจิตจากใจทั้งตัวเอง ภาวนานัยยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาก <c oughs> ารภาวนานี้เป็นปัญญาขั้นสุดยอดเกิดอย่างไรหากเราอย่างตั้งใจทิดนิจใจมาไม่เคยภาวนาก็ไม่ทราบว่าปัญญามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่งหลับหูหลับตาไม่ไดเดียวขวางกับอะไรปัญญาทำไมมันเกิดขึ้นถ้าเน้นนั่งหลับตา พิจารณานอกตาในท่านวิทธิไฉัยพิจิพตรนาภายในของท่านทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาตามเปจริงเช่นพิจารณารูปไายในกายของตัวยุบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างผนขนเล็บฟันเอ็นกระดูกท่านพิจิตรณาให้เข้า ใจชัดเจนด้ายสงอย่างนี้มันเป็นอย่างไรมันสกกับปกหรือมันสวยงามอย่างไรมันมันคงหรือมันแปรเปลี่ยนอย่างไรมันบอกได้หรือมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันผ่านพิจารณาเข้าใจถนาดชัดเจนหรือจิตที่พิจารณานั้นท่านเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิเข้าสงบหลับนับ แบบการพิจารณานึ่เกิดความสุขความสามายนอกจากนั้นเมื่อจิตเคยฝึกอบรมการพิจารณาภายในเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็มจริงมีความมืดความสงบเป็นมูลฐานของใจเหนื่อยในการพิจารณาก็เข้าสงบอะไรเกิดขึ้นผ่านมาในวลา จะเกิดขึ้นในการใดสมัยใดจะเกิดปัญญาแก้ไขชิ้นนั้นให้ตกออกไปจากจิตจากใจของตนนี่คือปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่มีคนอื่นมาแนะนาทำสอนอะไรจะมีเหตุการอะไรที่เกี่ยวข้องกับกายใจทั้งตัวปัญญาจะเกิดขึ้น กิเลสตั้งไว้แต่มันเกิดขึ้นแลแ้วจะไม่นอน่อนสิ่งนั้นจะเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนี้มันบอกมันรู้ภายในจิตในใจของตัวเองนี่คือภาวนาไมยะปัญญาเป็นปัญญาขัานสุดยอดเป็นปัญญาขัานสูงถ้ายหน้านที่จะรักษาจิตใจของตนให้ปลอดภัยจากกิเลสปัญหาจากความติดขอ้องเศร้าหมองต่าง ภาวนาเม ย, รรยปัญญาจึงเป็นปัญญาขั้นสุดยอดสามารถที่จะดับยิ่เรืปัญหาดับเมืม่อหน้าที่ของตนให้สงบระรับได้คำสอนของพระพุ เ, เจ้าที่ถือเป็นไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญาถูกต้องดีงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววิชาความรู้ลืมุบความหลุดจากกิเลสจะเกิดขึ้นไม่ใ่คนอื่นจะหามาให้ตัวขงองเองจะตัวขตัวเองจะเห็นเป็ น, นตัดจัดตังเฉพาะตัวมีการ พฤฤฤฤุทปฏิบัติธรรมะจิตใจเคยไร้าวุ่นขุ่นัวจิตใจเคยเพื่อโทลนรุ่มเย่อตามอารมณ์สัญญาของโลกหายไปขาดไปใจสะดวกใจสบายไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดไม่มีการสงสัยในจิตของนตนเป็นสุขคตโตโลกาวิถูคือมีความสุข ไม่เหนืออยู่ไม่ไม่เหลือไปไม่เหลือยนัง่งไม่เหนือนอนไม่เหนือยื น, นเหนื่อเดินไม่มีอะไรที่จะก่อควรให้จิตใจเกิดทุกข์โลกกับวิถีรู้แจ้งหมดคือรู้เรื่องของใจตนเองรู้เรื่องของกายตัวเองแต่จากชัดเจนแล้วเลยรู้แจ้งไ้หมดสัตว์ในโลกในอดีตจะเป็นมาอย่างไรแน่และพจะเป็นไปอย่างไรก็เพราะใจทั้งตน ประพฤติปฏิบัติถึกฝนมาเป็นอย่างนี้พิจัยมาประจักษ์ในตัวแล้วแล้วมีอารมณ์หลงรูปจะเป็นรูปอะไรมาเสียงจะเป็นเสียงอะไรมาจิตไปติดข้อเศร้าหมองเพลเพลินอย่างไรนั้นไม่มีอะไรที่ใจบริสุทธิ์นั้นจะไปิ่มเหลงไปติดข้อไปเพิดเพลินหรือไปมัวเมา เพราะความได้สึกขวงใจโดยสึกใน อ, อดีนมาถึงที่แล้วมีความสุขความเปอเสยอย่างนี้จะไปโลกไหนไม่มีการลืมหลงโลกปัจจุบลลันหร่อโลกนะี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาสาหรับใจรร น, นี่คือโลกวิธูภายในซึ่งทุกคนเ ม, มื่อฝึกฝนประพฤติปัจจุบันแล้วอาจทราบอาจเห็นอาจเปนขึ้น จากการกระทำข้องตนและความสุขที่ไรเสดยิเศษยิ่ง่าโลกก็คือความสุขที่จิตใจหลุดพ้นไปจากสมุขจากที่เหลือปัญหาดับราคะโทสะโมหะภายในจิตในใจคงตนได้เ ย, ย็นสบายทั้งอยู่ทั้งตายอยู่กะไมมีอะไรที่จะทำร้าสาสา อยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะชั่อจะเสียจะเป็นคพลีเป็นภัยจะโลอหรือจะตัวเองตายจะ ม, มีอะไรที่จะเสียหายจะเหวง่งว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ถึงที่หยุดม้ำตายทางเพราะเข้าใจใจจากจุดแล้วมีอายุไปหมื่นปีแสนปีความดีนิเศษจะเกิดขึ้นอีกไหย กรณีมีทางสงสยัยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกจะแก้ไขอะไรอีกจะป่าทนาอะไรอีกเพราะความสุขความสบายความหมดจดจากขี้เหร่ปัญหาได้ไจาจักในจิตในใจท่องเป็แล้วจึงไม่มีปัญหาอะไรใจจึงสุขใจจึงประเสริฐนัทธิทันติพลังสุขขังสุขอื่นจากความสงบไม่มีความสงบ ขั้นนี้คือความสงบหนมดยิ่เ ห, ห น, นือปัญหายังไม่มีทุกข์ภัยอะไรเกิดขึ้นและไม่มีความสุขอื่นในโลกในอดีตในอน า, าคตหรือในปัจจุบันจะเทียบกับความสุขที่ใจทั้งท่านหมดเ ก, ดกเลียดสิ้นเหนือนั้นไม่มีมีความสุขอันเบี้ยโถ น, นี้เป็นตัวความสุขที่เลิศแต่เลิศสุดพระพุทธเจ้าท่านเห็นชาวโก ทำเป็นอย่างนั้นทำเพื่อปฏิบัติเมื่อเห็นเื่อเป็นอย่างนั้นกรมีกามสงสัยว่าจิตใจของตนนั้นจะควรจะละสาสางอะไรอีกจะไปเพื่อปฏิบัติอะไรต่อไปไม่มีทางสงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคตประจกกักอยู่ในปัจจุบันแบบความหมดจดของจิตเป็นอย่างนี้โดยมี้อาการทังกระถา มันมีปัญหาอะไรที่จะก็เกี่ยวจิตใจของตนใจเลยสุขเลยสบายในจิตข้องพัวพันในเลยงไหลไฝ่ฝันกับอารมณ์สัญญาอาดีตอนาคตหมดจด บ, บริสุทธิ์ผุกผ่องเป็นพุทโธทั้งดวงมีจิตเมื่อไปพิบัติถึงที่ถึงฐาน ม, มีความสุขความสบาย จะเส็จยิ่เศษอย่างนี้ฉะนั้นขอทุกท่านเป็นสุขอบรมจิตใจของตนเมื่อสุขจิตใจของตนได้แล้วไม่มีอะไรอื่นที่จะสุขจะเปรเสร็จเท่าเราลืลมหลงเดี๋ยวร อ, อเวนวายกเพราะเรื่องของจิตเรื่องของกายไม่น่ใหญ่ไห่สูง อ, อะไร ท, ดดที่นอนก็เพียงนิดเดียวสาเดียก็พอที่นอนก็เพียงี่สอบนั้น ใจใจมันเลี้ยงไหลใฝ่ฝันอยากได้ใหญ่โตแล้โหลฐานอย่างนั้นอย่างนี้กายจินตันมันเองรู้จักอะไรนอกจากใจที่ไป้ใฝ่ฝันไป้ลืมหลงแก่ใจให้หมดความลืมหลงให้หมดความอยากให้หมดที่เใหญ่ปัญหาแล้วยิงเกิดสุขแต่เศษนี้เศษแล้วไม่มีคนอื่นที่จะแก้ไขให้นอกจากตัวของเราจะแก้ไขจิตใจเราเราเอง ดัง น, นั้นจนนานไปที่นิพิยศึกษาประพฤติปฏิบัติจะเห็นความสุขความสงบความสงัด ค, ความเย็นเย็นข้าใจพระพุทธเจ้าจะช า, าวโลเป็นอย่างไรเราจเห็นความบริสุทเิ์ของท่าเด้่ยตัวของตัวเองที่ประพฤติปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงโดยมีคนอื่นที่จะอธิบาย ให้เราเข้าใจให้เราได้เราถึงนอกจากเราเองจะไปเพื่ปฏิบัติเท่านั้นจะเห็นใจเองความสงบเป็นอย่างไรความหมดจดจากที่เบือเป็นอย่างไรหมดถูกปฏิบัติถึงผลแล้วมันเหมือนกันหมดไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบัน เพราะกิเลสอันเดียวกันมรรคผลอันเดียวกันมันเหมือนกันหมดจึงไมนมีทางสงสัยโยบาโลกาวิถุหิ้ิแจ้อะดีโกรู้อนาคพโกรู้ไปที่ดันโกรจะไปเหลืองอะไรโลกาวิถุในใจเที่ยวไปโรกนั้นก็ไปดูประเทศนั้นก็ไปดูเป็นโลกาวิถุมันมีแต่เป็นเลวจิตใจตัวเลี่อยไปอะไม่มีอะไรถึงจะเป็นโลกาวิถุได้ปัญหา เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองที่อยากยิ้มว่องไปนู่นไปนี้มันไปเพื่ออะไรได้สาระาอะไรจากการไปทั้งตัวยิ่งปัญหาตัวไหนมันตกไปใจมันสุขสงบหรือไม่ไม่ดิบกคิดเข้ามาภายในในใจหลงอารมณข้องใจตะคุบเรื่อยไปเหมือนคนไล่ตะคุบเงาไล่ไปเท่าไรมันก็เลยหยุด ไม่อยู่ให้ถ้าอยากจะให้เงาหยุดเราเนื่องมันก็หยุดถ้าเราเดิมนมันก็เดินไปทะเรวิ่งมันก็วิ่งไปเงาของเรามันเป็นอย่างนั้นอารมณ์คลงใจก็นทานองเดียวกันหมนั่นพิมิี่เจนาสอนใจคองตัวให้ใจสงบจะเกิดความสุขความสบายการอธิบายธรรมะเห็นหลักตัมงความจิตวิญาณอยูติตี่แค่นี้